ไปฟังมันเทศนาธรรมะเป็นของภายในส่วนสิ่งทั้งหลายภายนอกนั่นเรื่องของส่วนศูนย์เป็นของภายในคือธรรมะผู้ที่ได้เรียนั้นเฉื่อยก่เป็นเพมีการเฉื่อยศูนก็จิได้เป็นของมีอยู่ในใจของนทุกๆคน าหาเห็นคุณงามวนดีธรรมะอยู่เป็นของสุดจริตอยู่ีกายที่จิตทั้งตนแล้วมันเป็นเครื่องอื่เป็นตื้นอยู่ภายในเพิ่ม อ, อ่มเพิพอเป็นทัพอันรสิงที่มันอิ่นมันพอเนะี่ยบมีการสิ้หายเสื่อมสูญเป็นส่วนทัพย์ภายนอกพูดไดจะได้นะั่มาเทากต็ต่าง มันมีการเสื่อมสูญมันมีการทิ้ดหายไปศูญในที่สุดในเด็กร่างกายตนตัวของเราตก็นีจะอันจะต้องแตกดับไปในวันหนึ่งทุกวันนี้มันจะมีเสื่อมโทรมคือว่าสำรุดทุกโทรมไปทุกวันทุกวันในของภายนอกส่วนของภายในจุดซักภายในที่ว่านี้น่ะด้แก่ธรรมะ ที่เราได้เห็นชัดเห็นแจ้งเห็นชิงในตนเองแล้วมีการเตือเต้นอินบริบูรณ์คําว่าเต้นก็ดีคําว่าอินก็ดีคําว่าบริบูรณ์ก็ดีหมายความถึงกุศลบุญกุศลที่มันเกิดขึ้นที่ตนั้งตดเต้นนั่นมั่นคดีนั่นรุ่งอรุณ จะบก บ, กบุกข้องยงเรียกว่าเต็นคำว่าอื่นก็คือกันท่านอื่นแล้วเอาเพิ่มอีกก็ได้จึเรียกว่าอื่นคำว่าบริบูรณ์นี่ก็คือการบริบูรณ์ก็หมายความทั้งเรื่องเต็มอื่นนั่นเองอย่งนั้มันเป็นมันอื่นมันบริบูรณ์คือธรรมะทั้งสองของพระเดจาน ถ้าหากเราไปเห็นได้ตนเองรู้ได้ตนเองเกิมีขึ้นในใจของตนเองแล้วนั่นกนเป็นเป็นของบริบูรณ์เราจะเห็นได้เช่นเราธิจาราทั้งเรื่องทุกเห็นทุกในตัวของเรา้าพเกิดเชื่อมา เกิมาเป็นตัวทุกข์ทแท้เลยบุญญาณทุกข์เลยบุญญาณตายแลก้กระโบเกิดเพลิงเดือดร้อนเป็นทุกข์ต่อไปคนที่บรเห็นทุกข์ที่บราพาณเห็นทุกข์ญาติตายแม้จะเป็นทุกข์ในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยญาจะถูกตาย มันยังบกพ่องคือมันยังเสีดายอยู่มันยังบกพอมีชีวิตแต่ยังบกพอมตายเแต่ยังเสีดายไปถ้ามันตายผู้ที่เห็นความจริงแล้วผูที่เห็นทุกข์ในฐานสือตัวของเราแล้วมันเติมบริบูรณ์ในความเห็นจริงเห็นทุกข์เต็มเตี่ยนบริบูรณ์ควเห็นบริบูรณ์คเนเต็มเตียน ความอิ่มใจในการที่ตนเห่นะุมันย่อนละคือมันเหตุนี่แหลมันโมนเมนของเราแต่ล้วทุกในคล้ายๆกันกะว่ามันมาติดมาหอยมาแขกมันจะติดกับใจมันมาคอยรบกวนให้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ตลอดเวลาเรื่องทุกข์ทั้งหลายมันมารบกวนใจให้ทุกข์ เห็นนั้นพุกที่เกิดจากตายมันจึงยอมสาระได้เห็นว่าเป็นไข้เป็นอันตรายแห่งความสุขของจิตเจ็บไข้ได้ป่วยประการต่างๆมันเลยบุยญานบุญญาตายเห็นจนกระทั่งละเอียดเล็กซึ่งเข้าไปแต่นั้นอีกเห็นจนโมเมนต์เราตาย ว่แม่เราเก็บว่าแม่เราตายว่าแม่เราทุกข์เห็นแต่เพียงว่าทุกสภาพว่าทุกอันเกิดขึ้นมาขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปเมื่อไปเกิดขึ้นมาจากทุกเรื่องนี้แหละค่ะเมื่อแต่ทุกอันนี้ไปทุกเกิดเกิดขึ้นมาอีกทุกใหม่เกิดขึ้นมาอีกเกิดดับเกิดดับอย่างนี้แหละบล่แม่คลองไถ เหตุ น, นั่นยังค่อยจี่พอบอริบูรณ์เท่าที่บายทั้งเรื่องธรรมะมันต้องเข้าถึงจิตถึงใจฟังธรรมะท่า น, น, นเห็นจิตใจเดิตนตนเองคนอืน่นว่าให้ฟังมันกระบอสต่วเดิเองก่ คนอื่นน้อยฟังนุบเต็มมันบกีมันบกบริบูบถ้าหากคนอื่นน้อยฟังแล้วเราไปคิดคิจนานเห็นด้วยตนเองนั่นมันอื่นมันเต็มมันบริบูบเนื้อธรรมะเป็นของภายในเป็นของลึกซึ้งด้วยใจอื่นเต็มบริบูบเมื่ออธิบายในวันพระก่อน ว่าทั้งเรื่องคิดตั้งของกรรมถานที่เราต้องการทำกรรมถานกรรมถานไม่ได้อยู่ในที่อื่นไม่อยู่ที่ตัวขเราได้แต่กายเวทนาจิตธรรมจะอธิบายมาแล้วทำอมนนี้หนึ่งแนวธรรมะอั น, นลึกซึ้งที่ท่านเรียกว่าโพธิปติญาณธรรมนี้จะอธิบายต่อ ว่าสติปัฏฐานสี่ต่อว่าสมัมปทานสี่ต่อสัมปทานคือความเพียรอันชอบความเพียรชอบนั้นพิจากณาความเพียรธรรมดาเราพากันเพียรในบ้านในเมืองในโลกในส้องถิในในที่ทำงานทุกคน ตามความคิดควาเห็นและความเข้าใจของตนไ ม, ม่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนในกุษาเปลี่ยนเป็นยางที่จดแต่โทษโจรขโมยคนญหาจิ น, านทานุจริตเขาก็มีส่วนเปลี่ยนอกันแต่บ่าเรียกว่าเพียงชอบเพียนชอบในทางพุทธศาสนาที่ท่านจัดเป็นโลกุตรธรรมจึงจะอธิบายต่อไปนี้นัน เป็นความเพียรทอบหัว่อใหญ่นี้อย่างที่เพียรพยายามละบาปและต่อเพียรพยายามบำเพ็ญบุญสร้างบุญให้เกิดขึ้นและรักษาบุญงานไว้ไม่ให้เสื่อมถอยไป ว่าง่ายๆได้ป่าสร้างบุญสร้างคุณงามความดีให้เกิดหนี้สึ่อมแล้วก็รักษาคุณงามควาดีนั้นแหลบุญนั้นได้กคเสื่อมเสียไปแล้วก็ใช้งานละบาปสวมสัวเมื่อ ส, สวมตัวหนีไปแล้วอย่างระวังเมื่อสวมตัวนั้นเกิดเึื่อมอีกมีสี่อย่างบุญนั่นอย่างที่อธิบายมาแล้ว เป็นของง่ายดอกแต่คนเพชรเด็กหน้าก็ได้เพชบค น, นได้ก็ได้บุญไ่ได้กล่าวบ่ได้อธิบายถึงว่า <c oughs> มีเงินมีทองมากมายยังก็ได้สรางสุ่งอาหารจะลงสลากไม่ทาบนน้ำฐานจึงเรียกว่าบุญบ่ได้กล่าวจันบุญในที่นี้บุญันนั้นบุญฉัหับคนมีคนรวย บนในทางโลกุตตรธรรมที่จะอธิบายบุได้วาไงใช่บุญมีเงื่อนต่า ง, งาา ม, มีแต่กายแต่วายาจิตสร้างบุญเพื่กายและกายจิตได้สบายไม่ต้องเป็นคนรวยคนมีหรอกบุญนี่สร้างง่ายแต่คนบรกจากเลยคิดบุญบุได้สรางบุญบุได้เป็นเรียกว่าเป็น การเฮ็ดบุญเนี่ยบนมีหลายทางบนในการที่เรียกว่าเฮ็ดทานจะมีวัตถุเข้าของอันใดสละจากค่ า, าอันใเรียกว่าบุญเกิดจากการทาทานนั่นก็บุญอันหนึ่งหากว่าเราวบานีเบ็ดซอยเหลือเพิ่นเฮ็ดบุญให้กุศลอันนั้นก็เป็นบุญอันหนึ่งด้วยกัน หากว่าแล้วโมมีเพอได้สอยคนละโมมีกำลังจะสอยเหลือคนอื่นก็าให้บุญและแต่เราอนุโมทนาสาธุนั่งเปินซึ่งยินดีนั่งืปก็เป็นบุญอันหนึ่งเช่กันบุญนอกจากนั้นอื่นเรานั่งรับตาพาวนาพิยาราสติปัฏฐานอย่างอธิบายกห้งมานะ เจตียนากายเจตนาเวทนาเจาจิตเุญนาธรรมก็เป็นบุญชุวกะบุญนอกจากนั้นอีกเรามาละทายที่เลสภายในควาโลกความโกรธความหลงลซึ่งเป็นของมีมากมีภายใ น, ในใจของเราโดยที่เราบกเข้าใจเรื่ของมี อันนี้ก็เลยรู้จักของทาบุญจือสละปกติความโลภธรรมดาอยู่ซื่อๆมันก็รู้จักโลภเลมื่อไหร่ไม่เห็นไม่นด้าอยังได้ยังนินเขาว่าเขาได้โน่นได้นี่แต่ท่านมันตึกดภายในใจมันามโรมันเกิดขึ้นมันดะแขนงของอย่างนี้อย่างความโลภของคนจนยังโลภน้อย โลกของคนมีในโลกร th ้ายมองให้มันเหมฉดแสงมี่งินได้เท่าหนึ่งเจว่าเจว่าเขาโกว่าคนนี้ัวมีสมโลกนะถ้าเอาเงินได้เงินละโอ้ยมักหลายตอบออกรอบใจหลายคือเกคคนมักเงียอเด็ดเจกระทบุนทางกานจริงเลยครัทางแดนอยู่ แค่กวเข้าใจสมโลกคนมีบุญสมโลกแต่ว่าแท้จริงนะตัวกเรากลางตัวมันจริงนะคนมีโลคหลายแบบเต็มเต็มสมมติอย่างเช่นก็แล้วกันอย่างเขาพาการหาอยู่หนาะชินเพชไทยเพชสวยต่างเดือนต่งางดาวของเราเนี่ยเขาขายได้เมื่อละพันสอง0ันสี่ทุกทีเละ เราเนะ่ยพอได้ยินขาว่าจนะเนี่ยงอใจลูกคุณผู้ภาพอยู่นในเด็กมันยังเคยขาดเพราะจะมันได้หลายวกว่าเมื่อจมันเท่าเขาอย่างอธิษฐาที่คัทเทอร์ได้ยินก็อยู่สื่อเลยขายว่าถุเร่งกับตาขายพักกับตามหรือขายวัตถุจริงของหนึ่งตามขายงดการกับขายเงินขายควก็ตามนี่มันขึ้นแต่มันได้น้อยมันบ่าหายดอกขนาดพันตองพัน คนพามันก็หลายคนมัมีหลายอันนี้เรียกคนจนคนมีไดแต่นั่งไม่ยินเขาว่าคนนั่นไปรับเหมาขอสร้างให้คนนั่นไปซื้อขอให้ได้ราคาดีอาจารย์นะจ๊ะกํไรตั้งเป็นหมื่นกําไรตังเป็นแสนกําไรตั้งเป็นล้านมันเติบโตทั้งปีไอ้พวกเขามันเคยได้เป็นหมื่นเป็นแสนโขาบอกนี่มันเกิงกวกูเลยกูจะมาเก่งกว่ามันนั่นแปลว่า คนเขาฆ่าขายต า, า, ายเขาค่าถ้ายมากควมโลภมันกิมากขึ้นจอันนี้แหละเครื่องให้ทานวัตถุที่เราจะให้ทานอันนี้แหละบนเรื่อ น, นี้ทานความโลภความโกรธความหลงผู้ใดก็บรยชน์ได้จ้คนนะแต่ว่าหากเอาวงมือตัวอยู่ดีๆนี่ใช่และวงนี้ของโกร ทันคอยด้มาว่าขานหัวมันปราบเป็มาแล้วหน้าแดงที่บหเมืองออกปากพูดออกไปหยาบคายบนหเมืองต้าดยที่ทินงทุกสุดขงโกดมนันเกิดขึงบนหเมืองอันนั่นกับของทานสุดทกันเราให้จัดทานเขาอดนั่นเลยสบาย เขาก็สบายคนอื่นเรสบายคนที่ว่าให้เรานันเขากระบอกดิบก้อนเป็นทุ ก, ต, ก, ก, ทก ต, ทตัวของเราเองกระบอกเป็นทุกผู้มีทั้งสิได้ชื่อว่าทำประโยชน์ให้คนสองคนคือตั้งตัวของเราและคนอื่นที่มาทําให้เราบวชบุตรอกติกกใจเราอบได้เราจะสบายคนนั่นตัวต้องกระทบกระ่อนคนนั่นก็สบายอันนี้แหละวิธีทําบุญ นี่คือเฮตบุญขนาดเฮตนะเสนะบุญเกิดขึ้นในตัวเราบุญอันนี้บุญใหญ่บุญโตด้วยอย่างเขาทำทานน่มืดอเงินนั้เป็นเหมื่นเงินแสนกระตาหากคนใดมาพูดเกียดลีกระทบกระเทือนน่นหมิ่นประมาณดูถูกเงียดงนมในกลางกองกลางทุก ข, ข์บุญอื่นใจละเพียงเขาว่าโอ๊ย เฮดบนเฮดทานเฮ็ดมากไว่เฮ็ดเอานาเอาเจ็ดเออเอ็นเท่านี้ก็ออกมมันจะขุ่นขึ้นมามันบ่เป็นสลระเนี่มันเป็นเรื่องสะสมเรื่ององกฤทธิเฮดทานภายนอกมันไม่บริสุทธิ์ละทางเดชยังจะ้ชื่อว่าเป็นบุญน้อยบุญย่าหลาย มันของน้อยนมันหายไปเต็มตัวหายน้อยเดียวหนึ่งก่อนมีน้อยน้อยเดียวหนึ่งยี่สิบหนึ่งสิบมีคนใดงมาขอแบ่งมาแย่งมาซินเราก็ดีเรื่องมันต๊หกลมไปกรดีมดไปกับมันยังน้อยเดียวขึ้นอย่างที่ว่าให้บุญให้เงินเมื่อเงินได้เป็นเงินอ่นทั้งแสนมันก็ของใหญ่ไี้คนมาว่าอย่างว่าสด้ังมามันมดนน้อยแต่ทำบุญแล้ของน้อย ถ้าเรามีขันสีที่ความอกเาว่ากระซงนเขาเราก็ได้กความเที่ยงของโกดีมาอดทนเราจะเส้นเกี่ยนเร็วบริบูรณ์อันนี้ยังไม่ใช่บุญใหญ่มันโบมเอธรมของภายในมับุญอันนี้บุญโหมืองั้นว่าทังเรื่องวิธีทงบุญนั้นว่า มีหลายอย่างท่านให้จากอย่างนี้แหละพร้อมโกพร้อมหลงเรื <wre Sm> ่อนื้อตาต์จมัจฉจะมีแล้วเนี่ยเนื้อตาต์จะต้อิจฉาเรื่อญญาของธรรมนัดน้อยใจขอปกครองใจเนื้อตาต์ขั้นเร้เห็นว่านี่เป็นวัตถุที่เราจะต้องฮห้บุญเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องละเพราะมันมีภายในของาหมดเดียเรามาเพียนพยาละ เรามาเซียนทยายามทำบุญน่อีเรียกว่าเซียนทำบุญให้เกิดให้มีสึ้นมันก็เคยมีกถ้าน่นมีสิทธิ์เคยเกิดกระมาเกิดสึทนเซียนทยายามได้เทียรเล็กและน้อยนานๆนเข้ามาเก่ามากโมนมันก็อยู่จิตใจต่างของโลกของโกดของหลวงอิสระเรื่องปัญาทุกข์เขานักหนาใจหาย มีเพันว่าสร้างบุญคำที่ว่าเทียนในทิศเทียนสร้างบุญในทิศบุกคือบุญภายนอกคืออธิบายหะบุญนั่นนี่บุญภายในเทียนเป็นงานนั่นคือให้มีขึ้ในตัวของต น, นอันนี้เรียกเทียนสร้างบุญเทียนสร้างดุงงานคนดูนั่นคือมีเสร็คราวนี้รักษาบุญนั้นบุให้เสื่อมสูนไปได้ไหม เมื่อเราเห็นคุณงามคนดีเราเป็นขอมีค่าหาเลยยากยากที่จะทอดที่จะพบยากที่จะได้เห็นยากที่จะได้แล้วก็เป็นขอมีคุณค่านำขาดเหลือหลายโดยที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกับผู้ใดก็ได้ของนี้เกิดเพื่อจะทอดในใจที่ตกเรารักษาไว้หวงแนหนไว้แม้แต่ชีวิตของยงลำพัง เขาจะมาขาแล้วก็อดกระทบเขาจะมาด่ามาตีกานยอมอดยอมคนจีวิตเรืนของได้ง่ายขั้นหากว่าเราบทานจิเลษทั้งหลายเรานี่คือคองโลภควงโกรธนี่แสด้โกรธได้ทุกขณะเกิดได้ทุกทาติทุกภนไม่ในนี้เกิดอดู่นะอันนี้แหละเป็นต้นเหตุทกคือคองมโลภคกามโกรธเขาลอกว่าจีรุษนานาทิศนี่ เป็นเหตุในเราเกิดเหตุนั้นในที่ยอมสละคลงเกิดจ้ะอันที่ผลคล้องโลกของโกรธกำหลงนะนล้วเราไประงับดับแก้ที่ต้นเหทุของคล้องเกิดคือโลกโกรธหลงซึ่งจะไได้เกิดอีกต่อไปเมื่อเราเข้าใจอั่นเอเราเรายอมสละไปอย่างเด็ดขาดเรารักษากุศลของตนที่เรา สรบใดนั้นราได้กระโดดเยอะครับแพงยิ่งกว่หูกวตาแพงยิ่งกว่าชีวิตร่า ง, ดดา ก, ง, ก, ก, งกายเพชีวิตร่างกายเป็นของได้ไง่ายบ่มีค่าอย่งนี้นี่จะจะนำนำมาเป็นของทุกส่วนการให้ทานจะละโลกปวดหลงนั้นเป็นการตัดต้นเหตุเพื่อให้เกิดทุกข์ต่างหา้ เราจะยอมรัและ ร, ะรักษาบุญกุศลนั้นไะอันนี้เป็นขู่วแรกคือว่าเรียนสร้างบุญปฏิบัติบุญสร้างบุญบำเทุญบุญคือว่าเป็นบุญธรรมดาอยากให้วัตถุเขาอข อ, ของเป็นทานนะครับอันนี้ทานภายใน รักษาสิ้นหาสิ้นแตกจะเป็นการให้ทานกันเนาะทานครงตัวเราวไปใ็้ครงตัวได้ตัวแล้วทานครงตัวรักษาสิน้กสสนจะเป็นให้ทานอย่างนี้นะอ น, นี้นทานภายในอย่างอธิบายนี่เข้าหลักที่ว่าทานภายในเพื่ออธิบายอยู่ในนี้เรียกว่า บ, บําเพ็ญบุญท่านต้องเห็นคุณค่าของสินแล้วให้งานรักสินตลอดกันคือหนึ่งประดีเยรือ เจ็ดวันก็ดีหรือว่าตลอดชีวิตก็ดีเราพยายามรักษาไว้มีเรียกว่ารักษาบุญโดยให้มีเสื่อมศูนไปมีเคู่แรกคู่ที่สองนะจ๊ววะเทียนแต่งงานละบาปทั่นก็อเดียวเราให้ทานจ่าฆ่าสระแล้วก็เรียกว่าเทียนแต่งงานละบาป ถ้าเราเห็นคุณประโยชน์อันนั้นเราก็ข้อบทถอยก็เรียกว่าบาปรักษาได้บาปไม่เกิดขึ้นอีกทั้งการเดียวว่าเป็นอาการจินญาแต่ว่าหลักและอันเดียวค่ะคือว่าทั้งเรื่องคนถ้าติจิตในน้ำไพลงก็มาว่าถึงเรื่องค้นทั้ง ท่าว่าถึงเรื่องมนุษย์กัว่าถึงเรื่องคนฮะท่าว่าทังเรื่องสัตว์สัตว์ป้านสัตว์เมืองขาว่าานอนกันว่าเป็นสัตว์ป้านี่สัตว์ในเมื้อนี่ก็ไม่คนทั้งง้อเป็นคนเดียวง้อลักษณะอาการอันนี้เราจะมาไล่ถึงตาโหจะโหนแขนขาตตัวก็ว่าคนผู้เดียวนัน้นแง่ควแม่นอื่นนันไง มีเอาทั้งเรื่องการละบาปเอาทั้งเรื่องการสร้างบุญและรักษาบุญที่มันเกิดขึ้นไว้เสื่อยเฉื่อยแลก็เป็นก็เป็นอันว่าเราละบาปแล้วบบาปเกิดขึ้นหรือจะเรียกว่าเราพยายามละบาปแล้วบาปเกิดขึ้นมันก็เป็นอันว่าสร้างบุญแล้วบุญบาเสื่อยสฉืยไปทุกอ่างเดียวกัน เพราะฉะนั้นธรรมะถ้าหาพูดเข้าถึงหลักควาจริงแล้วมีอันเดียดคนเลยพากันหลงในคำพูดเขาใจว่าธรรมะ น, นี้หลายอย่างหลายเรื่องพ่วงขวงอิจการ น, นีเรียกว่าประทานกรมเขียนในทางที่ชอะเรียกว่าสมรประธานเขียนชอบขอเขียนนั่เขียนถือเขียนคิดคือว่ามาบนกฏ เนลักอโกงขโมยซ้อนท้อเขียนขี่นถึากองลายกองจองล่างจองผ่านคอยที่จะอาคิดว่าถูกกวนั่นกว่นี้คหาเรื่องแต่กนั่นว่นี้อันนั้นเลีว่ียนขุดบุตรบุญธรรมอั น, นนี้หรือหาก่าเขียนธรรมมาหาคินเออทางสุจริตก็เรียกว่าเขียนขึ้นกาแต่งเขียนขายนอกเขียน พฮหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดไทยเฮ็ดนาสมาให้กินโดยการตัวจิเทียนี่คือสักเพื่อนก็ยังแสดงถึงเหล่านี้สงไว้เพื่อค้นพบได้เฉพาะครูเทียนแต่เพืนว่าส่วนยากเทียนจะได้คนโชคยังไงยังแล้วเทียนเดินยังกลมเลยจ้ะ เดินเดี๋ยวโกมเทียนนั่งพอนาอัดนั่งพอนามันจะเมื่อยจะหิวม่จะง่วงจะเหงไม่จะเทีหลังจะแอบกังอดคนเดเทียนพยายามอดเทียนใยยามละกระเท่นั่งนานๆที่เดินนานๆนยมันก็เริ่ทุกข์แก่ที่แค่ดยเป็นเรื่องทุกข์แก็แได้แ่ว่าคนทุกข์ได้พอกลมเทียนเป็นอย่างเป็นหนึ่งว่าวเงัอันเทียนนี่มันทุกข์อยู่แล้วเป็นเงื่คนทุกข์กับโกลมเทีย เรื่องความหมายในมันคนละเรื่องกันเหตุ ท, ทวมเพียรนั้นเป็นเรื่องกิริยาการทุกข์แต่ผู้ที่ไปพิจแนยเห็นธรรมะของสิ่ริ้ามันบวชทุกข์คือเดินนั่งนอนพิจารณากรรมฐานในจักรวม่วนสื่อเนี่ยเดินก็เป็นอาการทุกข์นั่งก็เป็นอากางทุกข์นอนก็เป็นอากางทุกข์แต่ว่าผู้ไปเห็นธรรมะมันบวชทุกข์ ท่จว่าค้นทุกข์และควคุมเพียร์คนหมายบนพ้นเอาเลยทีว่าส่วนภายนอกก็ได้ว่าส่วนในน้ำก็ได้ค้นขยันหมั่ น, นเพียรประกอบการงานบวท่อบวถอยึกษาพันญางาแดดเก้าฝนค้นทุกข์ทรมานอาการเฮ็ดนั้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทุกข์แต่ว่าผู้ที่เฮ็ด โดยทางสุิดิณณ์นั้นแล้วอิ่มอกอิ่มใจในอาชีพของตนในกรรมของตนืนการงานของตนกราเต็มได้วยกาเดือดเดียดเท่าไรมันไม่เลยเป็นเรื่องความสุขมันก็เป็นเรื่องเดือดร้อนผู้ที่ทาโดยอิสระยิสัญญาเข า, าือนนะหาสอนละรักโงโง่ของเขาเทียนนั่นสนมันเทียนเป็นไปด้วยควมทุกข์ก มีคนเดือดรอนในเวนอยู่ตลอดเวลาย่านจะของเขารู้เข้าทันหรือย่างเขาขาเค้าแก้หรือว่าย่างเขาจับเขาปุ่มนปรกาต่งางอั น, นั้นมันรอ้อนมันก็สืมันเลยรอเพียนที่ว่า น, นี่คนทั้งแต่พระกมเพียนมเนียเขียนในสี่อย่างส่นทุกแล้ ว, ว่ามุ่งทึ้งผลในการได้มุ่งถึง ความดีควา ม, วามชอบมันก็เดือดร้อนจนทุกข์ในคนที่สุดในเวลาที่เราประกอบการ ง, งานที่เป็นทางบริสุทธิ์แล้วหุดเครงไร้ใจบริสุทธิ์ไว้ตลอดเวลาในที่อื่นตัวความดีของตนในกลารงานของตน อ, งตอันนี้เรียกว่าคนทุกแดดทุกคนเถียงอันนี้ถ้าหากว่ า, าได้ผลประโยชน์เกิดจากน้าํา่านา น, น, นําแรงโดยทางบริสุิเราเน่งสบายใจล้วอิ่นแล้ว อันนี้เลีว่าคนทุกข์ได้กครงเปลี่ยนขั้นหมายบอกคณต่างคนเราทั้งเข้าเข้าใจโมเมาโทษกันเอารืมันจะพ้นจากทุกข์แต้ในเทพร่มเทพายต่างแดกเขาคนจะพ้นทุกข์ได้เลยโมแมอัธรรมะคำสองใบเจคนทุกข์ได้ปกคงเปลี่ยนโแม่บุตรไปย่างสั้นไปเด้อแค่ที่จริงตนเองุญรมะที่จริงก็ทีแค่ที่จริงตนอัธรรมะบใช่บ ได้ทีจิคนบอกเข้าใจเรื่องขอความของธรรมะและความประสงคของธรรมะความมุ่งของธรรมะก็เลยกลายเป็นคนหลงคนเมาแค่เรื่องบอกเข้าใจไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามอธิบายธรรมะหลายเรื่องหลายอย่างเพื่อให้เข้าใจในธรรมะทั้งหลายตรงนี้เรียกว่าอยากอธิบายหน่อนี้เพียนและบำเทนบุญ ให้เกิดมีคืนนั้นอมีต้มีคืนทมีลรักษาไของเรื่องเตัวใเพห็นคุณค่าของคุณงาคนดีต้องอธิบายแนั้นแล้วก็เขียนละควมั่วที่มีในตัวของตนคนชื่อนี้คิตติมิตรประหยัดละายักเพืเพื่อเพื่อแก่กูได้ไอ้เนี่ิตตเอาเกียร์ให้งยาละใ้มเกิดสิ ก้วงขวงเมตตาปานีโออ้อมาลีอะโมโเกส่วนเว้ื่อมนี้ความศระทาจะพระเลื่องใสในพุทธศาสน า, านำทำหน้าทีทานโน่บรงพระพุทธศาสนาอันนี้เพียให้คนดีเกิดถึนละเพียนละสมตัวรทันละได้แล้วอย่าสุดไปกิ้ปฏิบัติได้แล้วอย่าสุไปทิ้งใ้เย็ดสิ้นเนื่อใส่โดยบให้ว่าขาดใจ นีเยาวาเาที่ยมในทางที่ชอบประกอบในาทางทิจริตเพื่อให้เข้าใจเนื้อคลองของธรรมะนั้นที่ได้นาอธิบายในตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกๆคนเมื่อเดชากันฟังและก่อให้คาฉันตาองคิดอีกทีหนึ่งให้มันเห็นครดในตนของตอนเองมันกินในตนของตอนเองแล้วความรู้นั่นจะกว้างขวางมาก พิจาณาเป็นเนี่ยใดทางไหนก็จะเกิดธรรมะกลวงของพิสดารทาเราฟังแล้วถิ่นของป่านี้ก่อนที่เราได้ฟังแล้วจําแล้วก็จะค่อยเมื่อค่อยจริงไปบทุทคลเกิดขึ้นเองในตนของตนอันสนสนสน่งนั้นทุกคนเได้พาตัวมาจําเอาไปคิดพิจารณต่อไปเป็นภารนาใหม่อันนี้งด้วยกันทางอธิบายมากก่าสมควรได้เรียก เทศให้ฟังแล้วการนี้ปฏิบัติที่ทันเทศที่เรียกว่าเ ท, ทาศธรรมภาษาคําพูดคนเก่าเล่ากันมานัห น, นาฟังหนาฟังเทศอันห น, น, นึ่งธรรมอัหนึ่งคือว่าตัวม่จริงเนินทำคาพูดนั่ น, นคือว่เทศธรรมเทศธรรมคาสอนพุทธวิญญาณเองแต่อจะมาอธิบายอีกอย่างเทศนัน่นต้องทำํำสามอย่างเดียวว่าเทศธรรม ทำทอทอสลามไม่ใช่เทศทอทำทอเทศทำเบื้องต้นเป็นเทศทำทอรมมอสะกดอลลัอันนี้เทศจะนนี้ทำอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้จักรสชาติต้อง่านเทศ